เมื่มเห็นรถเดินเมลสายน2 5สองสสก็ขอเล่าเรื่องอัตนาจตะเรื่องของตนเองนะแต่ว่าเป็นภาษาบาลีก็จะลำพานเพราะว่าคืนนี้ก็พูดโดยย่อถึงการภาวนาว่าพุทโธทั้งนี้ก็เพกความมั่นใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษัต ว่าการแนะนํากันมาพูดถึงฌานสมาบัติพูดถึงท่านพระอริยเจ้าท่พระโสดาบันขึ้นไปก็พูดเกิดมาแล้วใช่ไหมยานพระอรหันถ้าเาารามาิืมต้นหรือไม่ยล่าแก่ไม่ลืมนะตอนนี้มันมีว่าถ้าเราเป็นขึ้นมาจริงๆถ้าจะป่วยมาจริงจะทําไงทุกเวทนามันมากโดยคืนนี้การจริงตั้งใจจะพูดถึงพระรามานีกา กูต้อบาดแต่ว่านั่งมามาที่นั่งนี่ปั๊บพระสมบัตบอกว่าไม่ควรให้เอาเรื่องที่ประสบการณ์เองมากูให้ฟังพราะว่าเวลานั้นก็เป็นคนที่ไม่จริงไม่จังยังเป็นเด็กใช่ไหมวันไหนภาวนาว่าพุทโธจริงวันนั้นกลัวผีเวลาไหนกลัวผีเวลาทำพุทโธถี่มากถ้าหากว่ามีคนอยู่ใกล้ก็ลืมพุทโธ ท, ที่แสดงว่าไม่มีความจริงใช่ไหม ไม่จรมาจังแต่ถึงกันนั้นก็ดีเมื่อขนาดที่เป็นโรคอวยวะท้องถ่ายสามครั้งย้อนหลังนะพอสามครั้งนี้ลุกไปไหวแล้วลุกนั่งกไม่ไหวนอนแผ่โยมหญิงท่านก็นเอาพระมาตั้งให้มองเห็นพระพุทธรูปโอเิชอบใจแล้วก็บอกให้ภาวนาพุโทโธท่านบอกว่าภาวนาพุโทโธพระจะช่วยหายป่วย จริงคําแนะนำเรื่องคดีนะให้หายเจ็บไห้ป่วยให้ผ้ า, นผานเนี่ยผ้านุ่งเราต้องวางเฉยๆบนทออ้องไอ้เขีมขัดซักก็ไม่ได้แล้วมันเจ็บหมดเจ็บมากแล้วก็ในร่างการมันร้อนมากไอ้ดวงระดยา ม, มาก <c oughs> โดลดระยำแล้วหล่ำระยำก็เป <c oughs> ไปมาเป็นว่าอีกสักครู่หนึ่งตาจีมีหมอรักษาแต่หมอเขไม่ไหว อีกสู้ผู้หนึ่งก็มองเห็นพระจากพระพุทธรูปองค์เล็กกลายไปองค์ใหญ่อย่างพุทธรูปองคใหญ่กลายเป็นพระมีเนื้อเป็นพระ เ, ะเจ้านะสวยมากทีนี้ปากแดงผมดำแต่ว่าผมไม่มีจุกที่สาไเรียบกระผิวผิวนี่เหลืองผิวี่ท่านเหลืองนะผิวนี่เหลืองอ่อนจากีวอ น, นิดหน่อยจีวอนพระเจ้าเหลือง ไม่ใช่ไม่ใช่ฟีคัมอย่างนี้ก็หอมเลยนะฟีคั ม, มจะวนมหากรสบทุกเวลาเขาทุดดงเดี๋ยวนี้เขเล่ากระดาษในกรุงเทพกว่าครั้งใ้โลกทุดดงนี่หลกกากกกลมมดดดยกันลง อ, อ, กองก์สมุทรกรดเนี่ยก็ไปเรียว่าเห็นท่านยิ้มเฮ้ยว่าเห็นภาพพระจิตใจเขาเริ่มสบายไอ้ทุกข์โกนาต่างๆมันเริ่มหายไปค่อนลงไปผ่ปอนไปเห็นยิ้งชัดยิ่งผ่อนลง พอท่านยิ้มเป็นองค์เป็นองค์จริงๆลืมทุกเวทนาหมดจิตไปติที่นั่นอันนี้ขอญาติโยมทุกคนจํำมาดีนะการภาวนาเนี่ยที่ไม่จะไม่จริงไม่จางนักขัดบ้างดีบ้างหลบท่องบ้างทําบ้างเวลาจะตายจริงบุญจะรวมมันเป็นบุญใหญ่หลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่ามายอยู่นอกตัวออกมายืนอยู่เอาม่ออกเพอะไรนี่ไม่รู้นะ ถามหลายคนนะที่ตายแล้วยปืนเนี่ยถามว่าออกเมื่ อ, อไรไม่ได้ให้รู้ว่าตอนมันยงเนื้อตัวจะมันสวยเนื้อเป็นแก้วใช่ไหมเครื่องแต่งตัวเป็นทองคําไอ้แสงของสุีทองคาเป็นลุ่มแก้วมองเป็นทองทั้งตัวมัมีเครื่องประดับเป็นเพชรขยับแข้งขยับขามันเบาไปหมดมันเป็นเ้าของผมเพราะว่าก่อนจะตายเห็นภาพพระพุทธรูป ก็เป็นกระสินด้วยเป็นพุทธานุสถิด้วยถ้ากสินนี่ถามว่าเราสามารถหเห็นได้ใหญ่ได้เล็กได้แจ่มใสได้อันนี้เป็นฌานถ้าเป็นฌานกําลังของชายก็เป็นพรมก็ออกไปสภาพเป็นพมต่อมาก็ไปขออนุญาตท่านแม่พ่ายากจะลงไปข้างล่างท่านก็ไม่พูดด้วยใช่ไหมถ้ามองไอ้คนนั้นไอ้คนที่ตายเราในรังเกียจเต็มที อย่าลืมนว่าผีเน่ยตั้งใจตัวเองนะแต่ผีดีนะแต่ผีระยำ ม, มันใช้ดได้ตัวเองมเมื่อพูดกับใครเมืม่อไปใครพูดกับเรืไปยืนหลังบ้านมองไปทางด้านทิศใต้เห็นคนประมาณสองร้อยคนเดินมาแล้วก็เดินข้นมาใกล้มีคนนำหน้าคนนำหน้าในใหญ่มากคนทุกคนหัวแค่เอวเท่านั้นแนหะขึ้มาเขามีสี่คนประกองเออเดือยเลี้ยงข้างมาสองคน คุมท้ายคนนำหน้าคนถ้าเจอคนด้านหน้าก็ถามเขว่าลุงยกมือไหว้ถามลุงครับลุงจะไปไหนเขาก็เปิดบัญชีแปบบเดียวว่าไอ้นู้เองไม่มีชื่อในบัญชีไปไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ทําไมบ้ากับบวมเราถามว่าจะไปไหนแกบอกไม่มีในบัญชีตอนนี้ไอ้ ส, นสันดานที่ต้องการรู้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาสุดตอนเดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการจะรู้อะไรเนี่ต้องรู้ให้ได้ถ้ารู้ไม่ได้จะ ไ, ไม่เลิกความพยายามตัวนี้นะะพอคนที่หนึ่งผ่านไปก็เห็นคนที่เดินผ่านหน้ามาทุกคนที่ตามเข้าไปจําได้ทุกคนหมดว่าคนพวกนี้ตายไปแล้วแต่ทำไมมาเดินอยู่นี่เห็นเขาตายไปแล้วแต่เราไม่รู้เราตาย <c oughs> ตเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะพวเนี้ต่อไปก็ตายหมดเห็นยี่บ้านเขาตายไม่เล้กโกรธจะต่ายนะ มาเห็นคนมันก็เดินข้างๆถามเขาก็บอกยังไม่ถึงเวลาเองไม่มีดำบัญชีท้ายแต่คงท้ายแต่คงท้ายจะจับมือลากจใจขึ้นบ้านก็เลยไม่ขึ้นแค่แค่น้วแค่ปล่อยมือก็เดินตามกันไปไม่เอากระตอนที่มีทุกเวลานาห น, นักที่จะไล่ฟังกัายหมายความว่าขานาดที่ปฏิบัติคนในเวลาเด็กไม่จริงไม่จังก็บอกแล้วเราประโวผี ถ้าเวลาไหนกลัวผีเวลานั้นภาวนาว่าพุโทโธเวลาไหนไม่กลัวผีเวลานั้นไม่ภาวนาแต่ว่าเวลาจะนอนแม่จะบอกว่าจะต้องว่าคาว่าพุโทโธให้ใคฟังสามคำาอ้ช่ไม่ออกเสียงออกด้วยนะม่าพุโทโธพุโทโธพุทโธใค่นี้ก็เัาใช้ได้เพียงแค่นี้ตอนที่เวลาจะตายจริงๆ ไอ้จิตมันก็เข้ามารวมตัวเวลาจะตายทุกคนมันมีสภาพเหมือนกันคนจะตายก็เหมือนคนตกน้ำใช่ไหมคนที่ไหว้น้ำไม่เป็นแจะส่งไม้ให้เกาะก็เกาะไม้ส่งสุนัขเน่าให้เกาะเกาะสุนัขเน่าเพื่อเอาโทรศัพทฟังใช่ไหมข้อนี้ฉันใดเวลาจะตายก็เหมือนกันถ้าเวลานั้นถ้าจิตเกาะกุศลนิดเดียวมันจะเกาะต่อเวลาไม่ปล่อย อันหนึ่งในเมื่อภาวนาพุทธโอเห็นท่้งเข้าจิตเวทนามันก็น้อยลงน้อยลงลงจนทั้งไม่มีเวทนาเพราะจิตไม่เกาะร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตมีสมาธิตั้งแต่ปีติขึ้นไปพวกเวทนาของเราจะน้อยถ้าจิตทึงฌานสมาบัติพวกเวทนาในร่างกายทั้งหมดจะระงับทันทีนี่ก็น่าทำนะ เอาแค่นี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็เดินตามเขาไปขึ้นเขาลงเขาเข้าป่าเข้าป่าละมอะเข้าป่าใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นเขาเล็กบ้างใหญ่บ้างเขาไหลลูกข้ามไปจนถึงเขายาวเหยียดมันเป็นเขตกั้นระหว่างเขตมนุษย์กับนรกพอขึ้นไปควหน้าเขานับคนที่ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาว่าเลยไปในสุดลงท้ายครับ บอกครับเราก็พอหัวพอดีเขาถามว่าไอ้หนูเอ็งจะไปไหนก็บอกว่าผมถามลุงแล้วว่าลุงไปไหนแต่ลุงไม่ตอบผมคนอย่างผมนี่ถ้าไม่รู้อะไรนี่ไม่ได้ต้องติดตามให้ด้วยได้แก่เลยชี้ดูดูด้านโน้นที่ด้านฟากเขาทังด้านโน้นมีคนยืนเป็นกลุ่มๆกลุ่มนับเป็นร้อยนะ แต่ละ ก, กลุ่มก็มีผูู้้บัญชาการหนึ่งคนตัวใหญ่มากถือหอกบ้างถืองาบ้างมันสุรกมรีบาลแต่ว่าคนพวกนั้นรอการสับสวนทั้งที่ดูคารหลังหนึ่งมันมีคารสามหลังคู่กันอาคารหลังกลางเป็นที่เป็นสนักพยายมสับสวนท่านบอกว่าคนพวกนี้ทั้งหมดเดิมทีสร้างความชั่วไวแล้วก็ลงนรก ต่อมาร้ายไปเกิดยังไม่สร้างความทั่วใหม่เขากลับมาดำม า, ม า, ม า, ม า, มาลงโทษใหม่ก็บอกขอญาตท่านบ่าขอจะไปดูว่าก็สอบสวนยังไงลุงท่านลุงที่บอกว่าเป็นลุงก็บอกว่าไม่ได้หรอกท่านหลานลงไปตรงนั้นลงุงถูกลงโทษถามว่าเพราะอะไรต้องบอกว่าคนที่ภาวนาว่าพุทโธก็ดีสมมาดาหังด้วยก็ตนะก่างนะกระรองความว่าคนนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าทำเพื่ประสงค์เนี่ยก่อนตาย ก็จะตายนะถ้าลงไปด้านน้นลงถูกลงโทษลงไปไม่ได้ไอ้ความเป็นเด็กก็อยากจะรู้น <c oughs> ั่เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเอาวันหลังวันนี้จะเพิ่งรู้รกันเลยว่ามันเป็นปยังไงวันหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรก็มายืนที่โพทย่ำเขานี่นะถ้านึกถึงลงุงลงจะมาจะบอกให้แต่ทั้งอาชีพไปทำด้งทำดั้ ง, ง, ง, ง, ง, งที่ตะวันออกมนไกลามาก แดนพญายามนี่กับแดนนรกไปกลกันมากไม่อยู่ติดกันเพราะแดนประญายามนี่อยู่ในเขตสัญจรุจจรมหาราชเห็นบริเวณแสงแสงไฟจับท้องฟ้าบริเวณกว้างมากกว้างหาที่สุดไม่ได้นะฉันบอกว่านั่นแดนนรกแล้วก็มีบางพวกที่ออกมาจากสนาคพญายามมีคน ใ, นใหญ่ๆนำหน้าเขาบอกพวกนี้สป็ น, นรกแล้วแต่พวกที่ยืนอยู่กําลังรอการสอบสวน ในที่สุดท่านก็นสั่งให้กลับก็เลยบอกกลับไม่ถูกเราไม่สังเกตทางใช่ไหมต่้งกระชีมาที่คนหลังว่าไอ้มึงไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาไปสง่งนั่นแน่ไอ้เจ้าหนุ่มแกก็โมโหแกคว้าสองขาได้ออเวี่ยงขึ้นบ่าเลยใช่ไหมวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาเึง่นั่งถึงหน้าประตูบ้านเสือกพว่เข้าไปประตูพุ่งเข้ไปประตูบ้านคือตัวเราก็เกิดความรู้สึกขึ้น ตอนนั้นเวลาประมาณตีสองในตอนตั้งสามโมงเช้านะ่าก็บอกมีพระหลายองค์อยู่ที่บ้านพระเอาเขาแล้วเที่ยวขงแล้วพระล่อซะแล้วฉันเสียท่าพระมางคราวแนละ้วแล้วคนก็เต็มบ้านแล้วก็มีเจ้านมอะไรซึกใหม่หัวยังลอนอยู่ขขาห น, น่อยเขนั่งข้างๆแล้วเริ่มตาขึ้นมามันรู้สึกอยากน้ำมันเลย อ, อยากน้ำมากใช่ไหม บอกหน้าครับขอน้ําหูอกินตะขันด้วยครับไอ้นั้นบอกพีละง่งยป ว, วดแผลไปตะหูตายเราหัวเลยเลยท้ายเล ย, ย, เลยคนก็เตือนตกใจก็มาดูกันเพราะฉะนั้นบอกผมไม่ตายแล้วครับเล่าความจริงเ้าทราบนะอันนี้ก็เป็ น, นั้นว่าการตายแล้วมีสภาพเกิดจริงๆแต่ว่าคนที่เป็นเทวดาหร้อผมนี่ยเขาห้ามเข้าเขตโ น, น้น แล้วเข้าเขตเราเข้ามันมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์จะไปนะก็เป็นว่าหลังจากเราได้ไปต้นมาถ้าต้องการรู้อะไรก็ไปที่นั่นเพราะยืมไปทุกวัน่ะถึงเวลาเย็นพอดูหนังเสร็จกลางคืนก็จะหลับก็ไปหละไปหาลุงไปถึงนึกถึงลุงอยากจะดูนรกขมไหนสวรรค์ชั้นไหนลุงเห็นหมดมันอยู่ข้างหน้าเลยเจอเฉพาะําหลังของท่านอํานาจของท่านนะ ลู้ข่าวคนตายว่าคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นแหะไปหาลุงถ้าเขาเป็นนางฟ้าไปเทวดาก็มีวิมานมารอยอยู่กันมากเขาเห็นสภาพประสาทรัพย์สมบัติเขาเห็นอยู่นคุณไหนเขาอยู่นคุณไหนเห็นรูปคุณนั้นไปเองไม่ได้นี่คือความว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งภาวนาทำอยู่นี่บางท่านอาจจะคิดในใจว่าเรายังไม่เป็นพระอริยเจา้า เอาความแน่นอนไม่ได้ของชีวิตเวลาตายอาจจะถมรกก็ได้ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วขอให้เกิดความมั่นใจในตัวเองว่าถ้ า, าว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับไหวพระพุทธรูป ก, ก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนี่เอากันอย่างย่อนะสำหรับพระที่ได้พุโณวิธี น, นธั้นได้กําไรมากมาปานิพานไปสวรรค์ได้เองอันนี้ไม่ไม่พลาดหรอกพวกนี้พลาด ถ้าทำอย่างนี้เวลาจะตายบุญจะรวมตัวน่าพุทธานุสติกรรมฐานอันนี้เป็นโชคดีหนึ่งแล้วเราโกเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะหมดไปแล้วตอนนี้ต่อมาเป็นช่วงดีสองโชคนี้มีความสําคัญคือว่าความจริงต้องข้ามมาอีกหลายโชคนะตอนเป็นพระมาปีพศสองพันห้าร้อยมาปีพศสองพันห้าร้อยตอนนั้นป่วย คือว่าทราบล่วงหน้ามา่ก่อนสามปีมีเทวดามาบอกไม่สามปีข้างหน้าท่านจะป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาลสองปีก็เลยบอกว่าเพราะปานท่าน ม, มาพระปานท่านตายไปแล้วนะเพรยับยั้งกันก่อสร้างเพราะคุณเล่นรักการภาวนาให้หนักไว้สองอีสามปีข้างหน้าจะป่วยมาก ในใคิดในใจว่าถ้าเรายังมีกำลังอยู่เราต้องทำบุญให้มากถ้าป่วยแล้วไม่มีโอกาสทำบุญปีหลังที่สุดก็ก่อสร้างสร้างโบสถ์สองหลังสองวัดควบกันสร้างเสร็จภายในปีเดียวนะสองหลังนะพอฝังนิมิตเสร็จก็เดินเข้าโรงพยาบาลคุณแพทย์ฐานเรือความจริงเมื่อมาก็ไม่รู้สึกว่ามันป่วยมากนะ พอเข้ า, ขาถึงกรมแพทย์ฉันเลยแล้วผกรมเลยการท่นตรวจท่านกระจุงมือไปห้องไปไปห้องไปเศษเอาผมจะตรวจให้ไม่จำเป็นตรวจที่เขาหรอกไปถึงปั๊บแทนนี่กกจะตรวจจะบอกนอนที่เนี่ยจะบอกนี่หมอฉันจะมาให้ตรวจได้ฉันจะกลับวัดจะไปไงรู้ไหมบอกที่นี่โรงพยาบาลนะครับพระน่ะโตได้เฉพาะในวัดนะโรงพยาบาลนีนหมอโตเลยครับ <c oughs> เราเสียท่าเขา และตั้งแต่ที่สุดก็ต้องอยู่พออยู่คืนแรกอาการจุกเสียดก็เกิดขึ้นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มมันจุกเสียมากคืนนี้สองก็มีอาการอย่างนั้นอีกมันซึ่งไม่เคยมีมาก่อนพอคืนนี้สามก็นึกในใจว่าถ้าถึาถงสองทุ่มมันคงเอาเลยเกือบเกือบสองทุ่มนะพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มจะเริ่มเตรียมตัวให้พยาบาลหมุนเตียงทําให้เราว น, นละนั่ง นั่นก็นเริ่มจับลงวนใจเราออกภาวนาตามปกติทาภาวนานี้ไม่จํากัดมันทุกคนนะอะไรก็ได้นะแล้วก็ก่อนจะภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรกันในเวลานั้นโมบายแนะนาว่าควรใช้ศัพท์สั้นๆคือพุทโธง่ายดีก็ภาวนาพุทโธจิตก็เข้าถึงอุปจาระสมาธิยังไม่ถึงฌานพอยังไม่ถึงฌานกระกอบแทนที่จะอาการจเจ็บเจ็บเสียดมันจะมา เห็นท่านสามพอดีผมมาจอยู่ข้างหน้าเมื่อบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปเป้าก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านบอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิพพานถามนักบวชนิพพานมันศูนย์ใช่ไหมําราเขาว่าศูนย์บอกนี่อย่าพูดมากเลยผมมาตามให้ท่านไปผมไม่ต้องการเงิน้าเจียวเทียงกล้ท่านท่านต้องไปก็แล้วกันนี่เป็นไงม่าเกรงต ท่านสวยมากก็เลยไปตามท่านแทนที่ท่านจะนําขึ้นจาสวรรค์ไปเลยใช่ไหมท่านนําไปโน่นไปตั้งต้นโลกันตนรกดูเรื่อยมาทุกขุมอธิบายฟังทุกขุมมันเป็นยังไงเป็นางนานบาปอะไรบ้างเนะี่ยใครทําความดีความช่วยอะไรก็ตามถ้ามาสวรรค์ทุกชั้นพรมทุกชั้นผ่านหมดดูหมดพอถึงพรมชั้นที่สิหกพที่อยู่กองท่านท่านบอกว่าผมมีหน้าที่พาท่านมาแค่นี้ ต่อไปการเข้าเขตอิปานเป็นหน้าที่ของท่านความจาาริงระหว่างที่เดินตามท่านไปมันมีแรงทุกอย่างกําลังวังชาดีมากพอพ้นเขตสา ม, ม, ม, มบดีพรมพรหมทิติพุกมันก็มีดินแดนเหมือนกันแต่มันเดินขึ้นนะเดินขึ้นหน่อยๆพื้นสวยมากพื้นเป็นแก้วผสมทองก็เดินไปเรื่อยๆแต่มันหมดแรงเหมือนคนเป็นไข้หนักมาก โผเพโผล่เพมสิ้นแรงจะไปถึงวัดวัดหนึ่งมีกุติสามหลังมีหอระฆังนีกระแพงสวยๆใช่ไหม <c oughs> ก็ไปเดินรอบๆวัดไ้นี่มันวัดอะไรวะมันแหเนี่ยติดวัดี่นะคนก็ไม่มีพระก็ไปมีหม้าก็ไป ม, ม, ม, ม, มีไก่ก็ไป ม, มีไม่มีหมดใช่ไหมในที่สุดก็หมดแรงไปนอนที่หอระฆังที่พื่อหอระฆังหอระฆังเป็นถิน่นทองผสมแก้ว ท่นหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นพระพุทธเจ้าท่านมามีฉับประนองสีพระเจ้าในเห็นเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมเคยเห็นท่านเคยเห็นท่้นปรจําได้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าท่านก็เข้ามาทางกําแพงที่ไม่มีประตูพอถึงกําแพงมันก็ขาดออกไปพอท่านเลยมากำแพงก็วิ่งติดกิดกนไปใหม่มันไม่มีรอยแล้วพอถึงท่านมานั่งข้างๆอาตมาก็ลงมาหน่อยก็นั่งข้างล่าง ท่านถามว่าเคยคิดไหมว่าชาตินี้จะมานิพพานบอกไม่เคยคิดท่านถามว่ารู้จักนิพพานไหมบอกไม่รู้จักท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรบอกไม่รู้มันไม่รู้ท่านท่านถามว่ารู้จักพระพรหมท่านที่สิบหกไหมบอกรู้จักพรหมท่านที่สิบหกที่มาทุกวันปกติแล้วไปนอนที่นั่นนอนคุยกับพรหมที่นั่นมันมีพวกพรหมมากใช่ไหมตุ๊กแกเก่า พอขึ้นไปเขาบอกเขาเพื่อนเก่าก็คุยกันบางทีก็ได้เวลาบินลำบากก็ลงก็บอกว่าพ้นทาเลยพมุ่งนี้ที่หกทะเลอะไรก็บอกไม่รู้ครับท่านบอกเขาให้ยกทิพานก็ถามท่านบอกว่าทิพานตามตาราที่เดียนมาศูนย์ท่านบอกว่าเธอไปอ่านหนังสือคนตาบอดเขียนนี่ช่วยเลยให้เราเลยตาบอดตามบอ่ที่นี่เขาเรียกทิพาน ถ้าถามว่าณขณะมาทำไมถึงสิ้นแรงแรงไม่มีตั้งแต่ต้นมาถึงพรมชั้นที่ห ม, มีกำลังมากแต่บอกเธอเร่งรักสมถะภาวนามากเกินไปแต่นั่นเป็นความดีไปการทรงชานเข้าชานเข้าชันในตามปกติแต่ว่าอ่อนมิปัสนายาตนายาณไม่ต้องมีนะแต่อ่อนไปเกตกํกำลังของชานโรกีก็อยู่ขั้นพรม ใเขตทีมีของนิพพานต้องมีทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งสามถะภาวนาเสร็จถึงสมาธิปัญญาก็ท่านก็ถาอีกอ่ะคิดว่าจะมาไหมบอกไม่ไหวไม่คิดแต่บอกว่าที่นี่เป็นแดนนิพพานนะบอกว่าใช่ครับผมยอมรับในเมื่อโอโรงัดในการมาไม่ไหวแน่เพราะเดินไปถึงนี้ก็เหนยตายแล้ว ถ้าเราียกพระมากด้นี้นี่มัดไม้คือสิบท่อนท่อนแค่แค่สองบางมากถ้าเรียกพระมาเก้าองค์พระเก้าองค์ปรจําได้แบบองค์ที่สามเป็นหลวงพ่านท่านเก้าองค์จะเห็นหน้าท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ท่านต่างคนอาหยิบไม้ไปคนท่อนโดยหนึ่งท่อน อาวุธเจ้าบอกที่เธอเป็นหน้าที่ของเธอท่อนนี้ตรองบัญญัติบอกเท่าไม่ไหวครับท่านเลยบอกว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คําขอร้องว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คําขอร้องก็จะต้องลุกไปหยิบ ต, ตั้งท่าตั้งทางและย่ำแย่เลยพอหยิบปั๊บมันเบาอยู่กระดาษแล้วใส่บ่าเอาเดินตามพระเก้างองค์ไปไปประมาณนึกสิบเมตรท่านบอกนี้กลับมาก่อนเอาวางไว้ที่นี่ก่อน วิปัตสนาญาณอ่อนไปกลับไปลงไปใหม่ไปไปผลวิปาาัตสัญญาณทางถ้งว่าจะเปบัายข้อไหนเขาบอกว่าใช้อย่างเดียวคืออริยสัจแล้วฉันจะไปสอนให้ถ้าเธอตั้งใจว่าจะมานิพาณในฉันจะไปสอนให้ก็ยอมรับต้อกลับมา จะมาไปตั้งแต่เวลาประมาณ ใ, ใกล้สองทมกลับมาก็ตีสี่กว่าเวลาเดียวๆนะถ้า ต, ตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาอาการไข้าอาการก็ไม่มีไปลกูกอยู่โรงพยาบาล ย, ยังเป็นคนดีอยู่อาการาต่างๆไม่มีหมอก็ไม่จะให้ยาอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวหมอฉิจยาบำรุ ง, งดีไม่ไดีข้าจะเป็นนังนังนังกเนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ วันไหนออกมาจากโรงพยาบาลวันนั้นถ่ายสิบสอครั้งต้องขึ้นต้องเข้าโรงพยาบาลโดนเขาสามครั้งเลยไม่ออกเลยก็ อ, อยู่สองปีตามกําหนดแล้วก็อยู่สองปีก็เป็นประโยชน์ประโยชน์กับหมอโรงพยาบาลมากเพราะอะไรไหเข้าโรงพยาบาลแล้วสร้างบทต้องสองหลังปีเดียวนะแต่ว่ามีสตั์เข้าโรงพยาบาล20สบาทจะยี่สิบาทได้ประจําย่ำนะ เพื่อว่าจะมีธุระยี่สบาทได้ไม่ใช้แน่ต้องเก็บไว้ประจำยามเท่า น, นั้นหมดสร้างหมดก็ไม่มีสตังชัยเพราะปานทมาบอกว่าทําไมสตังไม่มีรลยบอกไม่มีครับผมให้หวยเขาสิบอกผมให้ไม่ได้พระเจ้าหา้ามเพราะไม่เป็นไรฉันจะมาให้เองถ้าหวยออกฉันจะบอกให้หนึ่งตัวนะเอาตัวเดียวอย่าบอกที่อยู่ให้โอ้พริชาติเอ้ยรวย ไม่มันรวเป็นตับๆแต่ตัวเดียวอะบอกที่อยู่ให้เลยนะอยู่หน้าหรืออยู่หลังหรืออยู่กลางบอกให้เลยหวยออกไปพักถ้าจะมาบอกทันทีก็ได้เงินยโนเนี่ยกินเขาตัวหวยเข้ามาให้บั่งอะไรบ้างใช่ไหมก็มีแขกทุกวันนี่แขกก็มาก็เอานําอาหารมาให้ที่วันหนึ่งเขาอึ่งทอดโอโห้วันหน้ากินแล้วเกินน้อึ่งเนี้ยเห็นเข้าอิ่มเลย เราก็ไม่กินอ่งใช่หมแต่ว่าไอ้โรคศีดมันกินนะีไอ้พวกหมอบางงพยาบาลบางว่นาติดมาไอ้วนาติกย่องสั่งญาติโยบอกอาจารย์ชอบอึงไอ้เราเห็นอึงมันมามากทุกวันมันมามากทุกีบางถึงเต็มตโอ้โตใหญ่ๆกินไม่เสร็จแน่ไอ้ครับมไมมีได้อึงสงสัยมันยังไงกันแม่วะเราก็ไม่กินอึงแต่อึงมันมามากจริงจ เท่ามาก็ไปถามพยาบาลคนถามเรื่องเป็นยังไงไอเจ้านั่นได้พูดให้ฟังว่านาาปิดครับกระซิบกระยมที่มาญาโยี่มานะี่ยเราอาจารย์ชอบกินอื่นกั่ไปกินกัเล่ากันโั้ที่สุดก็อยู่ได้สองปีก็ไปว่าญาโยมพุทธบริษัทให้เข้าใจว่านิพานนี่เปนสภาพไม่สูญนะ ในการที่จะไปนิพพานจริงๆมันก็มียตัวเดียวตัดสกายแย่ิี่ใช่ไหมนี่ต่อมาก็เล่าอีกหน่อยหนึ่งเพราะเวลามันเหลือเยอะเมื่กี้เข้าใจผิดไปต่อมาหลังจากนั้นเวลานั้นเป็นเป็นเวลาปัตตนาพุทธภูมิเวทย์นาญาณยิงอ่อนหนักในสมถภาวนาจะเวทย์นาญาณก็ต้องมีเพราะต้ในที่สุดกลาวจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิ ความกินไม่ลามาแล้วสองปีกีก่อนโน้นกับอีกที่แล้วเวาลาลาไปีละครั้งพรธเจ้าทรงยับยัง้งว่าถ้าจะลาเป็นสาวุกภูมิทำไมไม่ลามาหลายร้อยชาติมาแล้วแตถ้าบารมีสาวกภูเธอเต็มมาหลายร้อยชาติแล้วนี่เป็นพุทธภูมิเกือบจะเต็มแล้วทําไมทมัมจะต้องลากันเมื่อปีสุดท้ายนี่ก็มานั่งนึกว่าถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิต่อไป อีกกี่ปีจีนได้จริงๆเต็มใช่ไหมอ น, นึกถึงท่านอนึกท่านบด้ก็ต้องมาท่านบอกว่าถ้าเธอตายเวลานี้เทียบสะตะดตรงต้องเกิดอีก7ชาติจึงจะมารู้อภิเศษสมาธาิโพธิญาณแต่ว่าถ้าเธอมีอายุถึง60ปีจะเต็มชาตินี้อีก60ปีก็ต้อง20ปีกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่า20ปีกว่าอยู่ถึงหรือไม่ถึง คำถามว่าถ้าผมล า, าบอกท่านลาถามว่าถ้าผมลาผมจะได้มรรคผลไหมคนที่ต้องการนายบอกว่าถ้าเธอขี้เกียจหกเดือนได้แน่ถ้าเธอขยันภายในสามเดือนได้แน่เรื่องเล็กๆแล้วบรรน่างในหกเดือนกับสามเดือนนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขฉันจะมาสอนให้แต่ว่าก่อน ถ้าเธอทำได้แล้วตามที่ต้องการนั่นจะเป็นหมายถึงความบริหารนะเธอต้องทำงานพุทธภูมิต่อไปจะตายต่เมื่อฉันสั่งให้ตายได้ถ้าฉันยังไม่สั่งเธอยังตายไม่ได้เมื่อไรจะสั่งนาทีก็ไม่รู้จะตายมา่ลวรโหแล้วเย่ทุกทีไล่กลับมาทุกทีไปไม่ถึงที่ไปถึงดาวดินกษักตริกลับหาช่องไปไม่แนะเต็มหมด ก็หลังจากนั้นมันลาววัลาเสร็จท่านก็บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเวลาสี่ทุ่มฉันจะมาสอนเธอการรับแขกกลางคืนในรับแม่ยายถึงสี่ทุ่มถ้ก่อนรับแขกงคืนเนี่ยมันยังหนุ่มอย่นะพอถึงสามทุ่มครึ่งแล้วก็บอกฉันจะพักแขกเขาก็จะมีธุระบอ ก, รบอกเรื่องของแกฉันเข้าห้องหมดเรื่องหมดราวไปเรื่องของเราเรื่องของเราใช่ไหมเรื่องใหญ่พอถึงเวลาสี่ทุ่มทรงเป้งท่านมาตามเวล า, าทันที ก็ท่านมาถึงท่านก็สั่งนอนไม่ต้องนั่งเธอเหนื่อยไม่ต้องเลยเช้าท่านสอนตัวเดียวคือทุกขสัตย์สอนทุกขสัตย์เป็นหนึ่งเดืนอนสอนตั้งสี่ทุ่มถึงตีสองยาวไหมหนึ่งเดือนเต็มหลังจากนั้นแต่บอกว่าต่อต่อตอนน่อต่ไปฉันจะเว้นไม่มาสามเดือนมาในช่วงที่ฉันไม่มาสามเดือนนี่เธอเห็นว่า เธอคิดว่าโลกมุมไหนมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิตเธอคิดว่าไม่ต้องไปก็ได้ไมาเห็นทุกวันแล้วใช่ไหมก็รวมความว่าวันนี้หมดเวลาแค่นี้นะต่อวนนี้ต่อกันใหม่ถาเขาบรรดาญาโยมพุทธบุตรสัตทั้งหลายทุกคนตั้งใจภาวนาว่าพุทธโธก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างแต่ว่าก่อนภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนคือเป็นพุทธานุสติทุกคนนะ ถ้าจงมีความมั่นใจว่าการภาวนาขขงญาติโยมพทธบรสัทธก็ดีคารนึกถึงภาพท้าก็ตามยังไงไงก็จะทำให้ทุกคนไม่ตกมารกแม่นอนเอาตอนนี้ไปธรรมดาท่านหลายตังย้งใจสมาทานศีลสมาทานพรนรรมฐาน